รายนามเอตัทัคะยกมาให้ดูเฉพาะในฝ่ายภิกษุบริษัทดังนี้เอตัทัคะในบรรดาภิกษุสาวกพระัญญาโกนธัญะญผู้รัตัญยูคือบวชนานรู้เหตุการณ์มาแต่ต้นพระสาวรีบุตรผู้มีปัญญามากพระมหาโมคลานะผู้มีฤทธ พระมาหากัสปะผู้ถือทุดงพระอนุรุษผู้มีทิพยจักสุรพระพัทธิยะผู้เกิดตระกูลสูงพระลากุนตกะพัทธิยะผู้มีเสียงไพเ ร, ราะพาระปิณโทลภารัตวาชะผู้บรรลือสีหนาาพระปุณณมันตนีบุตรผู้ท ร, รมกระถึก พระมหากัจยานะผู้แสดงความย่อให้พิสดารพระจุลลปันธกะผู้นิรมิตมโนไมากายพระจุลลปันธกะผู้ฉลาดในเจโตวิวัตพระมหาปันธกะผู้ฉลาดในสัญญาวิวัตพระสุภูติผู้อารณาวิหารีพระสุภูติผู้เป็นทักขินัย พระเร ว, วัตตคธิรวนิยาผู้อยู่ป่าพระกังขาเรวัตนักฌานพระโสณกลิวิสะผู้เพียรเด็ดเดียวพระโสณกุติกันผู้กล่าวกัลยานพศพระสิวลีผู้มีลาบระวัคคิลผู้สัทธาวิมุต พระราหุลผู้ใกล้การศึกษาพระรัฐบาลผู้บวช ด, ด้วยศรัท ธ, ธาพระกุณฑทานผู้จับสลากปฐมร ะ, มระวังคีศะผู้มีปฏิพานพระอุปเสนะวังคันตบุตรผู้เป็นที่เลื่อมใสไปทั่วพระทัพพระมัลลบุตรผู้จัดเสนาสนะ ราปิลินทวัชชะผู้ที่พวกเทพชื่นชอบใจพระพาหิยะทารุจิริยะผู้ตรัสรู้ฉับพลันปรากุมารากัสปะผู้แสดงกะถาวิจิตพระมาหากโกติตะผู้บรรลุ ป, ปฏิสัมพิธาพระานนท์ผู้พะหูสูตรผู้มีสติผู้มีคติผู้มีทิติ และผู้อุปถากพระอุรุเวลกัสปะผู้มีบริษัทใหญ่ประกาลุทธายีผู้ทำให้ตะกูลเลื่อมใสพระพักุละผู้มีอาภาษน้อยพระโสพิตะผู้ระลึกบุพเพนิวาสพระอุบาลีผู้เป็นวินัยทร พระนันทะกะผู้ให้โอวาดภิกษุณีพระนันทะผู้คุ้มครองประตูอินทรีพระมหากัปปินะผู้ให้โอวาดภิกษุพระสาคตะผู้ฉลาดในเ ต, เตโชธาตพระราธผู้ทำให้เกิดปฏิพัน์พระโมคราชผู้ส่งจีวรสีครา